ซึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีใจดวงนี้เนี่ยสำคัญมากเราทำบุญกุศลอะไรอะไรก็เพื่อให้ใจดวงนี้แหละเป็นสุขสบายไม่ให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนใจดวงนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้ว มันก็จะต้องมีกิเลสเป็นเครื่องโย่มันกิเลสนั่นมันทำปุกคนให้เป็นทุกข์กิเลสมันไม่ได้แต่งให้คนเป็นสุขสบายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จริงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ฝึกขนจิตนี้ให้มันดี พราะตั้งแต่เราเริ่มเกิดเป็นคนมายังไม่มีสติปัญญาอะไรมีแต่กิเลสตัณหามันหุ้มหอ่อจิตใจนิทาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ได้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างผลสุดท้ายก็ได้สวยทุกนั่นแหละ เพราะคนเราเมื่อใกล้จะตายเนะ่ยมันก็เป็นทุกข์้ายหรือร้อนร้ายหาความสุขไม่ได้เลยเวลาชวนจะตายดิ้นโลนกระสับกระส่ายไปมานั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ความทุกข์เหล่านี้แหละ ย่อมมีแก่บุคคลผู้เกิดมามีธาตุีมีขันห้าอันนี้ถ้ายังได้อาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละฉะงนั้นการที่จะพ้นจากทุกข์นี้ไปได้ก็เพราะอาศัยสั่งสมบุญกุศล อาศัยการกระทําความดีให้มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นหากเกิดมาแล้วใครไม่คิดทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นชีวิตีมันก็ย่อมเป็นหมันคือว่าไม่เกิดดอกออกผลอะไรเกิดมาแล้วพอมาแก่เจ็บตายไปเปล่า เนื่องการที่พวกเราคนไทยได้เกิดมาในเมืองไทยได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้เราก็ได้มาแสดงความเชื่อความเลื่อมใสนับถือเอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริง และจึงได้สลักจตุปัจจัยออกมาทนุบำรุงพุทธศาสนาส่งลูกหลานของตนให้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนานี้การที่เรายินดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมคุณประสงค์นี่ เป็นเหตุให้เราได้ทำบุญทําทานเป็นเหตุให้ได้ละความโลภความตณีออกจากกิตใจเพราะความโลภนี่มันเป็นมูลเหตุให้คนเราทําบาปอย่างหนึง่งคนจะทําบาปอยู่ในโลกนี่ก็เพราะความโลภนี่แหละเป็นเหตุ โลภในอาหารการกินเป็นเนตไดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้อมมาแกงกินโลภในผัวในเมียมีเมีย ม, ม, มีผัวแล้วก็ยังไม่พอใจยังไปสมสส่ ก, กับหญิงอื่นหญิงอื่นชายอื่นโยโลภใน เดนนาเดนสวนกันอย่างนี้นะแย่งสิ่งการค้าการขายกันเบียดเบียนกันเพราะอยากได้สมบัติเงินทองมากมา ก, มากนี่ลักษณะของความโลภได้แก่ความเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นผู้ใดมีศรัทธา ทำบุญบริจาคทานไปอยู่บ่อยๆเส้นนี้ความโลภอย่างว่านี่มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจมันก็เบาบางไปจากกิตใจเป็นผู้มีสันติ ธ, ธ, ธรรมอยู่ในใจคือเป็นผู้ยินดีในของที่ตนมีอยู่ตนแสวงหามาได้มากน้อยเท่าใดก็ ยินดีบริโภคใจฉอยอยู่เท่านั้นคนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่คิดอิจฉาลิสยาเมื่อเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างนี้ก็สบายใจดีไม่ดืดร้อนเพราะความอยากได้เคิื่อนขอบเขตบุคคลผู้ขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรม กระยอมชอบเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นชอบอิจฉาลิสยาผู้อื่นชื่อว่าเป็นผู้สร้างบาปกรรมขึ้นในตนทั้งนี้ก็เพราะความโกรธนั่นแหละความโกรธนี่แหละเป็นมูลเหตุให้คนเราได้ไปฆ่าสัตว์ตวัดชีวิต ท่าทางคนข้าทาัท้งสัตว์ใจชั้นไม่มีเมตตาปรานีความโกรดนี่แหละเป็นเหตุให้ทะเละวิวาทพิถียงกันแม้แต่ในคนในวงในตระกูลเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆบางคนก็เกิดรวมท้องเดียวกันเมื่อ โกรธมาแล้วก็ทะเลาะอีวาดกันทุ ก, กันตีกันด่ากันแช่งกันบางลายก็ถึงกับฆ่ากัน ต, ตายก็มีหมดนี้ก็เพราะความโกรดนี่แหละเป็นมูลเหตุให้คนเราได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญเมตตาให้มากมาก เมตตาแปลว่าความรักใข้ปรารถนาจะให้เป็นสุขทั่วหน้ากันเราตั้งกิตตั้งใจไว้เสมอว่าขอให้ตัวของเราเองและบุคคลอื่นและสัตว์อื่นจงมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยต่างคนก็ต่างรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดเรานึกคิดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรเป็นญาติที่น้องกันและทั้งที่เป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนเราก็ให้อภัยไปไม่โูกโปรดไว้ในใจ ก็ถ้าผูกโกรธไว้ในใจอย่างนั้นมันก็เป็นเวรผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นความโกรธเมื่อไม่ละมันสะสมมากเข้ามันก็กลายเป็นความพยาบาทไปคิดจองล้างจองขลานกันเมื่อบุคคลใดมาเจริญเมตตา ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้าดังกล่าวมานี้บ่อยๆเข้าความโกรธมันก็เบาบางลงเป็นเหตุให้รักษาสินได้ปบบนี้เป็นเหตุให้สมาทานสินแล้วก็จะได้สำรวมระวังรักษาไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างมันร้อย เมื่อผู้กรักษาสินมั่นคงแล้วมันก็ทำความโกรธความพมาบาทอันนี้ให้เบาบางออกไปจากดวงขีดเนี่ยบาปอากุศลอนันใดที่ได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนมันก็เบาบางลงในเมื่อจิตใจเปลี่ยนไปด้วยเมตตาการุณาแล้วไม่ไม่ทำบาปใหม่ต่อไปอีก พยายามอธิษฐานใจละบาปเก่าที่ได้ลุ่มหลงทำมาตั้งแต่ก่อนโน้นอธิษฐานใจละทุกวันทุกคืนไปนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็อธิษฐานบาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทำมาแต่ก่อนนั่นข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นบาปจริงแต่ข้าพเจ้าขอตั้งสัตจาอธิษฐาน ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีทำแต่บุญแต่กุศลทำแต่การงานที่ปราสจากโทษให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอธิษฐานในใจเข้าไปอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้เพียรละบาปออกจากใจเสมอเพราะคนเราจะเป็นทุกข์วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะบาปนี้แหละให้พากันเข้าใจถ้าบุคคลใดเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วผู้นั้นตายแล้วก็จะไม่ไปตกนรก ไม่เช่เป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่เกิดในกำเนิดสันติไรฉานเมื่อตายจากโลคนี้แล้วก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนี่นะพิจารณาให้ดีในระหว่างสวรรค์กับนรกเราจะไปทางไหนนั่นต้องถามตัวเองดูเพราะชีวิตของคนเรานี่ที่เกิดมาในโลกนี้ มันก็มีอยู่สองทางนะทางไปนั่นแหละถ้าทำดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมาแต่ถ้าทำดีน้อยไม่ได้ทำบาปอย่างนี้แต่ทำบุญกุศลน้อยทีนีตายแล้วก็มาเกิดเป็นคนอีกอ่า เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วเก็มาสบถทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้แหละอย่างที่เราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วก็มาประสบกับธรรมชาติของโลกอันนี้บางคราวก็เจริญขึ้นบางคราวก็เส่ิมลง ก็เกิดมาในโลกนี้เรามาอาศัยดินฟ้าอากาศในโลกนี้เป็นอยู่ถ้าคราวไดดินฟ้าอากาศไม่อำนวยเช่นฝนฟ้าไม่ตกก็ไม่ได้ทำนาทำสวนก็อดกันค้าวไดที่ผลฟ้าตกลงมาให้ก็จึงได้ทำนาทำสวนกันทำการค้าการขาย บางทีก็ขายไม่ดีขาดทุนก็เดือดร้อนไปบางคราวก็ค้าขายดีมีกำไรงามก็มีเงินมีทองใช้จ่ายเป็นสุขสบายไปเนี่ยชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่ได้สมหวังมันมีแต่ความผิดหวังแหละมากกว่าความสมหวัง ดังนั้นห้พากันพิจารณาให้ดีเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารดังกล่าวมานี้แล้วก็จะไม่คิดทำบาปต่อไปจะเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากหลักทัพเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงคำส่อเทียด ยุยงให้พวกอื่นแต ก, าากขามขีกันทำอยาบโลนด่าแช่งกันทำเพ้อเจ้อเลียวไหลหาประโยชน์ไม่ได้แต่จะเป็นผู้สำรวมวาจาให้ดีเว้นจากดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนของเสพติดที่โทดต่างๆหมดเนี่ย มันล้วนตั้งแต่เป็นหนทางนำไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเป็นทุกข์ทั้งในชาบหน้าต่อไปบาปกรรมอนี่ยมันจะนำไปตกแต่งให้เกิดเป็นคนเป็นใบเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดานี่โทษของการดื่มของมืนเมา โทษของการพูดเท็จพูดคำไม่จริงเกิดไปชาติใดก็จะเป็นเหตุให้เป็นคนปากคือลิ้นก่สั้นปากเหม็นคนชอบด่าเพื่อนสาบแจ่งเพื่อนก็ดีอชอบพูดเท็จพูดคำไม่จริงต่างต่างวันนี้ ทำให้เป็นคนปากเกือกและปากเหม็นด้วยทอดแทนการประพฤติมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นอันนี้เกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้ที่ มีลูกมีเต้ามาแล้วลูกเกาะไม่ฟังท่อยฟังคำไปประพฤติเป็นคนเจ้าชู้ไปต่างๆนานาบาปกรรมอันประพฤติร่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นในทางปวีอาเนี่ยท่านกล่าวไว้ในตำร า, าว่าเมื่อพ้นจากนรกมาแล้ว ก็ไปเกิดเป็นกระเทยแบบนี้นะไปเกิดเป็นกระเทยนี่แหละคนที่เกิดมาแล้วเป็นกระเทยก็เพาะทษดประพฤติร่วงประเวณีดังกล่ามานั่นแหละบุคคลผู้ใดชอบถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่เขาไม่ได้อนุญาต เกิดไปชาติใดเมื่อตอนมีสมบัติอะไรขึ้นมาก็มีแต่โจรขโมยมารักมาชี้มาปล้นเอาไปมีแต่คนมาช่อมาโกงเอาอันโมนีมันเกิดจากอธินนาทานคือไปถือเอาสิ่งของที่ของคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตให้โดยอาการแห่งขโมย โทษแทงปานาติบาตนี่มันก็เป็น เ, เป็นขั้นตอนบุคคลใดทรมานสัตว์เขี้นตีมันเกินขอบเขตผูกมัดมันไว้ไม่ให้มันกินหญ้ากินน้ำให้มันสูกมันพร้อมมันทนทุกทรมานนี่บาปกรรมนั้นตามสนอง เกิดไปชาตใดก็ทำให้โรคภัยเบียดเบียน ร, ร่างกายอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายเดี๋ยวก็เจ็บน่นปวดนี้เดี๋ยวก็เป็นตุ่มผุพองขึ้นทั่วตัวก็มีนี่โทษที่ทรมานสัตว์ได้รับทุกข์ทนทรมานต่างๆนานา ไม่ถึงกับร่มกับตายอย่างนี้แหละแบบนี้บุคคลใด็กทำลายชีวิตจัดให้ตายลงไปเช่นนี้นั่นเกิดมาชาติใดเมื่อกรมนั้นตามมาทันก็ต้องตายอยู่ไปไม่ถึงอายุไขบางคนก็ตายตั้งแต่ในท้องนู่น บางคนก็คลอดออกมาแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็ตายบางบางคนก็จเจริญวัยขึ้นมาเป็นเด็กก็ตายก็มีบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายก็มีบางคนเกิดมาแล้วอยู่ในวัยกลางคนตายก็มีบางคน่าถึงวัยแก่จึงค่อยตายก็มี การตายของคนเราเนี่ไม่ไม่เท่าเทียมกันเลยอายุของคนเราเนี่อายุสั้นกว่ากันอายุยืนยาวนานกว่ากันทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนสัต์นี่แหละผู้ใดเกิดมาแล้วมีอุปติเหตุตายทันทีเลยหมูเนี่ยท่านเรียกว่าอุปคาตรกรรมกรรมตัดรอนอนั่นแหละ กรรมฆ่าสัตว์ให้ตายลงไปปัจจุบันทันด่วนไปเลยอย่างนี้นะกรรมนั้นมันก็ตอกติดสอยห้อยตามไปเมื่อมันได้ช่องไม่โอกาสเมื่อได้มันก็ให้ผลเมื่อนั้นแต่ทาให้พวกนั้นมีอันเป็นไปอย่างรวดเร็วเส้นหัวใจวายตายลงไปตกต้นไม่ตายฝ้ายชนใตบ้บกฟ้าผ่าตาย หรือว่าถูกคนอื่นฆ่าตายอะไรมนีมันรวนตั้งแต่โทษปานาติบาตในทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นว่ากรรมที่ทำอย่างว่านี้มันย่อมให้ผลตามกรรมนั้นๆจริงตามคำสอนของพทธเจ้าถ้าผู้ใดไม่ปรารถนา ความทุกข์ความเดือดร้อนดังกล่าวมานั้นก็พยายามเว้นนะพยายามเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเหล่านี้สมทานมั่นในศีลให้มั่นคงไม่ใช่ว่าเข้าวัดไปเมาไปทำบุญทาทานล้วก็เอาศ า, าสนาศีลพระไอศีลก็รับศีลกันก็มีศีลแต่อยู่ในวัดนั่นแหละ พอออกจากวัดไปแล้วก็มอบสินคืนให้พระไปซะอย่างนี้มีอยธรรมไปไอรักษาศินแบบนั้นมันก็ได้อานิสงส์ชั่วคราวแต่อยู่ในวัดเท่านั้นแหละเมื่อออกจากวัดไปแล้วก็ไม่มีศีลเมื่อไม่มีศินก็ไม่ได้รับอานิสงส์ศินก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะในพุทธศาสนา น, นี่ พระพุทธเจ้านั้นทรงพิจารณาเห็นแล้วตอนที่พระ อ, องค์เจ้าทรงเจริญภาวนาไปตอนเที่ยงคืนน่ะพระ อ, องค์ก็ตรัสรู้จุตูปปาปาตายานทรงรู้แจ้งในความเกิดและความเป็นไปความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขได้ก็เพราะทำบุญกุศลพะละความชั่วออกจากตนสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี่ก็เพราะเป็นผู้กระทาบาปกรรมใส่ตัวเองไม่ละเว้นจากการทาบาปกรรมพระองค์เจ้ารู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ ในตอนเที่ยงคืนในวันเดือนหกเพ้นนะ่ะตอนจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือเลยถ้าพุทธบริษัทมาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้ว คู้นั้นก็จะไม่ทำความชั่วดังกล่าวมานั่นก็จะหาทางหลีเกเว้นแล้วจะพยายามทำแตกกุศลคุณงามความดีไปเมื่อทำแตกความดีไปมากๆเข้าไปแล้วหมดอายุสังขารแล้วโดยอริสงแห่งบุญกุศลความดีอันนั้นก็นำจิตวิญญาณให้ไปเกิดในสวรรค์ เป็นเทวบุตรทัชายู้ชายผู้หญิงก็เป็นเทวดาสเสรยแต่ผลบุญกุศลที่ตนทำไว้ในโลกมนุษย์นี้ไม่ต้องทำนาค้าขายไม่ต้องทำราชการงานเมืองอะไรนะี่มีแต่สเสรยผลบุญกุศลที่ตนทำไว้ในโลกเนี่ยมันไปตกแต่งให้ ที่อยู่ที่อาศัยก็ดีอาหารการบริโภคก็ดีผ้าหนุ่งผ้าห่มก็ดีเครื่องประดับตกแต่งทั้งหลายก็ดีโมนีรว่นจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญที่บุคคลกระทำในโลกนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าในสวรรค์นั่นไม่มีการค้าการขายอะไรเลย ไม่มีการซื้อการขายนั่นแหละคนเราผู้ใดมีปัญญาสามารถละบาปละกรรมมันชั่วได้เดี๋ยวพยายามทำแต่บุญแต่กุศลความดีเข้าไปเช่นนี้ก็จะได้ได้รับความสุขความสบายไปนานบุญกุศลที่ทำนี่แหละเมื่อ ชาตินี้เกิดมาก็มาสั่งสมบุญกุศลชาติต่อไปมาเกิดมาเป็นคนอีกก็มาสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเมื่อบอคุคคลใดสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปมากเข้าไปหลายชาติหลายพบเข้าไปมันก็เต็มได้นะบุญกุศลบัณนเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองอกัลอาสวะคกิเลส ให้หมดสิ้นไปจากดวงกิดนี้อันนี้แหละอนุภาพแห่งบุญแห่งคุณพระรัตนไกลขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นต้องให้เห็นด้วยใจของตนเองเพียงแต่ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนถ้าตนไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ทำตามนี่เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั่นว่าสว่าขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพวทภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสรนทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่แหละบทพระธรรมเป็นเครื่องตัดสินว่าคนเรานั่นนะ ทำบุญที่จะได้บุญก็ต้องรู้ได้ด้วยใจของตัวเองทําบาปที่ว่าได้บาปนั้นก็ต้องรู้ด้วยใจของตัวเองมันถึงละบาปได้การทําบุญกุศลเมื่อทําไปแล้วมองไม่เห็นผลในใจมันก็หมดกําลังใจที่จะทําต่อไปเขาทาไปแล้วไม่ได้ความสุขความเย็นใจอะไรอย่างนี้นะไหเมื่อเราทาบุญกุศลแล้ว เช่นให้ทานรักษาสินอะไรแล้วก็ไปนั่งภาวนาพิจารณาผลทานผลสินเหล่านั้นให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าบุญกุศลที่เราทำมานี่อำนวยผลให้เป็นสุขจริงแต่ปัจจุบันนี้อำนวยผลให้เป็นสุขทางใจเมื่อได้ทำบุญกุศลได้ละเว้นจากบาปกรรมอันชั่วร้ายต่างๆแล้ว ใจก็เป็นสุกเย็นสบายนั่นแหละเทงพิจารณาอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลเป็นอารมณ์เข่าไปแล้วใจมันก็สงบลงได้เพราะมันไม่มีบาสมารบกวนนี่แหละใจก็เป็นสมาธิด้วันี้นะเป็นหนึ่งลงไปนี่อานิสงส์แห่ง การให้ทานการรักษาจินการไหวพระภาวนาในอนิสงส์ปัจจุบันเนี่ยคือทำใจให้สงบนี้แหละคนเราเมื่อใจสงบแล้วก็สบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรคนที่เป็นทุกข์อยู่ในโล ก, กนี้ก็เพราะไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องโยก็เพราะไม่ทำใจให้สงบระ ง, งับ นั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์เกือดร้อนนะดังนั้นน่ะการภาวนาเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็หายหลงหายเมาไปยอมรู้ตัวดีวะนี้นะ่ะยอมรู้จัก บาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีหรือว่ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานรู้จักบาปรู้จักบุญก็อย่างที่ที่แจงแนะนาให้ฟังมานั่นแหละเมื่อเราไปนั่งภาวนาแล้วพิจารณาตามที่พระท่านแสดงให้ฟังดูแลตนเห็นตามไหม ถ้าตนเห็นตามนั้นหิดใจมันก็มั่นอยู่ในบุญในกุศลก็เบื่อต่อบาปแบบนี้นะไม่ทำบาปต่อไปอีกเ mm hmm. มื่อบุคคลมีใจผ่องใสอยู่ด้บุญด้วยกุศลแล้วฉิดใจสงบตั้งมั่นลงแล้วปัญญามันก็มีแบบนี้นะแล้วก็พิจารณาเห็นธาตุสี่ขันห้า ที่ดวงใจอาศัยอยู่เนี่ยเธอเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ให้แก่มันก็แกไม่ให้เจ็บป่วยไข้มันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายมูรี่เรียก ว, ว่ามันบังคับไม่ได้ ทานบังคับได้มันมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะคนเราเกิดมาในโลกนี้ใครๆก็ไม่อยากตายเลยอยากมีชีวิตมีอายุยั่งยืนนานตลอดไปทีเดียวแต่แล้วมันก็ไม่บังคับไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่ารูปังอนัตตารูปนี่ ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรเราจะใช้กายวาจานี้ไปทาบาปเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วนี่เมื่อใช้กายวาจาไปทาบาปพูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมแล้ววันนี้นะดวงกิตนี่เป็นผู้เสวย ผลของบาปกรรมนั่นนะร่างกายนี่มันหมดบนเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ ย, ยั่งยืนนานอะไรเลยแต่ดวงจิตสิหอบเอาบาปเอากรรมติดตัวไปบาปกรรมสุดคล้าไปสู่นรนกอบายภูมิทนทุกข์อยู่นานแสนนานกรงกันข้าม ถ้าว่าจิตนี้ใช้กายทำดีใช้วาจาพูดดีพูดไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทำอะไรก็ทำอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมทำให้เป็นเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะเวลาสวยผลของบุญกุศลอันเกิดจากการกระทำทางกาย ทางวาจานั่นก็เป็นจิตตรงนี้แหละได้รับความสุขความสบายจิตตรงนี้เป็นผู้ได้เสวยผลบุญกุศลนั้นอย่างบุญกุศลเมื่อท ร, ร ม, มากสมควรอย่างนี้นะก็นำจิตตรงนี้ไปเกิดเป็นร่างของเทวดาร่างของเทวดาเป็นร่างอันละเอียดทุกขุมกว่าร่างของมนุษย์ เปรียบกันไม่ได้เลยร่างเบาเพราะฉะนั้นเทวดานึกคิดว่าจะไปไหนก็เหาะไปเลยไม่ต้องมีงานาหารนะมีรถมีเรือเหมือนอย่างมนุษยโลกเนี่ยพอนึกว่าจะไปไหนเท่านั้นตัวก็ลอยไปเลยเป็นงานพว่ารูปร่างมันละเอียดดังนั้นหนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณา ให้เห็นผลแห่งบุญแห่งกุศลพิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี่หมายความว่ากายวาจามันไม่ได้เป็นสวยผลบุญผลบาปมันเป็นแต่เพียงว่าจิตใจใช้ทำเฉยๆแต่ผู้สวยผลของบุญและบาปแล้วดวงจิตต่างหากนี่พิจารณาให้มันเห็น เมื่อพิจนารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นแหละจึงไม่ได้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วให้ใช้ทำแต่ความดีพูดแต่เรื่องที่ดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเพราะเราหวังผลคือความสุขทางใจนูน่นส่วนร่างกายเนี่ยแม้เราจะทำบุญกุศลมากมายเท่าไรบุญกุศลก็ช่วย ให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ยั่งยืนไปไม่ได้เลยเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบุญและบาปนี่มันจะไม่กอาะบุญเก่ากับบุญใหม่นี่มันจะไม่ก้าวไายกันเลยการที่เรามีชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราได้ทํามาแต่ชาติก่อนนูน่น มันตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นคนขึ้นมาแล้วเมื่อมันได้เกิดเป็นคนมาแล้วกอดบุญเก่าเนี่ะก็ตามมารักษาชีวิตนี้ยังไม่ให้ตายก่อนให้เป็นผู้มีกำลังร่างกายแข็งแรงทำบุญกุศลก็ได้ทำหาเงินนาท้องอะไรก็ได้ดี ทีนี้คันพอบุญเก่านั่นมันล่อยหรอลงไปแล้วร่างกายนี่มันกระสุดโทมไปเรื่อยๆอันบุญใหม่นี่มันสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้เลยนี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องพอบุญมันล้อยหรอลงไปแนละ้วคนเรามันยึงแก่ชราลงโรคภัยจึงเบียดเบียนลงไปพอบุญเก่าหมดลงเท่านั้นเนี่ย ชีวิตนี้ก็แตกดับทำลายลงไปเลยแม่บุคคลคนนั้นจะทำบุญในชาตินี้มากมายเท่าไรบุญนั้นก็ช่วยให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปไม่ได้เลยบุญใหม่นี่มันคอยให้ผลในขณะที่จิตจะออกจากร่างอันนี้ไปบุญใหม่นี่จะเป็นยานพาหนะรองรับเอาดวงจิตนี้ไป ไ้เกิดที่สุขสบายอมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเอ้ยไปคุยกันอะไรหนักหนาฟังหลวงปู่เทให้ฟังนี่นะมันจะได้ประโยชน์ดีกว่าอันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตความเป็นมาของคนเราเนี่ยต้องให้เข้าใจกันให้มันถูกต้อง เราทำบุญทำกุศลอยู่ในโลกเนี่ยเราก็เผื่อโลกหน้าด้วยนะี้เผื่อโลกนี้ด้วยเผื่อโลกนี้เมื่อเราทำบุญกุศลแล้วจิตใจจะได้สบายไม่เดือดร้อนคงกันข้ามกับทำบาปเมื่อทำบาปลงไปแล้วจิตใจก็เดือดร้อนขุ่นมัวหาความสุขสบายใจไม่ได้เบ่งัน นี่เราทำบุญกุศลเผื่อทั้งโลกนี้เผื่อทั้งโลกหน้าด้วยเผือ่อว่าไปโลกหน้าก็จะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเกิดที่ไหนก็ขอให้มีความสุขเตี่ยมไปด้วยลาบยศสนรเสริญแต่ความสุขกายสบายใจแลกวก็มีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผุดพองอ มีรูปร่างสวยสดงดงามนี่อนุภาพแห่งบุญกุศลเนี่ยนะเมื่อบุคคลกระทำบำเพ็ญในโลกนี้แล้วมันจะไปตกแต่งให้ได้อะไรก็ได้ตั้งแต่ของดีๆได้แต่สิ่งที่น่าพออกพอใจอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในสมบัติทิพย์เมืองสวรรค์นะ่ะ อะไรอะไรก็มีแต่ของสวยงามมดทั้งนั้นเลยไม่มีสิ่งใดที่จิกขี้ไล่ขี้เลยปราสาทอันเป็นที่อยู่อาศัยก็สวยงามเครื่องประดับประดาทางๆก็สวยก็งามรูปร่างกายนี่ก็สวยงามมาก อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าอนุภาพของบุญกุศลนะดังนั้นทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วไม่ควรที่จะปล่อยให้ตนเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไ ป, ปเปล่าร่างกายอันนี้กวัวจะได้มาเนี่ยได้มาด้วยบุญไม่ใช่มาไม่ใช่ได้มาด้วยบาปถ้าได้มาด้วยบาปแล้วนั่น มันจะตาบอดหูหนวกแขนด้วนขาด้วนอะไรอย่างนี้มาแต่กำเนิดโน่นนะหรือเป็นใบเป็นบ้าเลยไม่สามารถที่จะทำคุณงามความดีอะไรได้นั่นบุคคลได้ร่างกายอันนี้มาด้วยบาปันตกแต่งให้มันก็มาทำความดีสั่งสมบุญกุศลอะไรก็ไม่ได้การที่คนเรานั่น มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์ดีอย่างนี้นะก็เพราะอาศัยบุญตกแต่งตนไม่ได้ทำบาปมาแต่ก่อนหรือว่าหรือว่าทำบาปมาแต่ว่าได้ไปสวยผลของบาปหมดไปแล้วบัด น, นี้ให้บุญให้ผลสืบต่อบุญนั้นจึงได้นำมาเกิดเป็นคนขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อมีร่างกายครบถรวนบริบูรณ์มีกำลังวังชาดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถทำบุญกุศลได้หาเงินหาทองเข้าของได้แล้วก็มาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างให้เป็นบุญกุศลสืบต่อไปเบื้องหน้าต่อไปอีกตลอดถึงการรักษาศีลเราก็ทำได้ การไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ทำได้เพราะว่าคนมีบุญนะนี่แหละอาศัยบุญนะทำให้เป็นคนใจเยือกเย็นสบายไม่เดือดร้อนแล้วก็ทำสมาธิภาวนาใจก็สงบลงได้เมื่อใจสงบลงก็มีปัญญาแบบนี้นะ มองเห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นของไม่เทียงไม่ยั่งยืนไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นแจ้งชัดอย่างนี้จิตใจนี้มันก็วางสิมันก็คลายความยึดความถือในขันหานี้ลักษณะของจิตที่ปล่อยวางขันหานี้เราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ในเวลาที่ เมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปลปวนไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจยไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะมองเห็นว่าไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายเราเขาไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ที่ว่าเขาว่าเรานั้นสมมุติว่าเอาสังหากแต่ความจริงแล้วมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้น เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะไม่ถือว่าเราตายรู้ว่าสังขาร น, นามลูกนี่ร่างกายนี่มันจะแตกดับทำลายไปต่งหากไม่ใช่เราตายเราไม่ได้ตายเราไม่มีนี่แหละ เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นธาตุีขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างนี้เวลาร่างกายสังขารอันนี้เป็นปกติสุขมีกำลังเรียวแรงดีก็ไม่เพลินไม่เมาไม่หลงใช้มันไปทำความชั่วพูดเรื่องชั่วสำรวมกายวาจาให้ดีงามอยู่เสมอไป ธรรมดาคนมีปัญญาต้องรักษาความดีของตนไว้ได้ไม่เพลินไม่เมาไปในทางชั่วทางไม่ดีเพราะอาศัยปัญญานี่แหละแบ น, นี้นะปัญญาตามรักษากายรักษาวาจาไม่ทําชั่วพูดชั่วไปจนตลอดชีวิตเนี่ยลักษณะของจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนนะ รวมความแล้วเรียกว่าสามารถลความชั่วได้แล้วก็สามารถทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้คนเห็นแจ้งในขันห่านะแล้วก็เวลาขันห่ามันจะแตกจะดับก็ไม่เป็นทุกข์เป็นรน้อนก็รู้เท่าขันห่านี่ตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร นี่ความรู้อันนี้แหละพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสม อ, อแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมอันนี้แหละเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดัง บรรยายให้ฟังมานี่เมื่อสรุปใจความแล้วก็หมายความว่าสอนให้ระลึกถึงอัตภาพร่างกายอันนี้ว่ากลัวเราจะได้ร่างกายอันนี้มาเป็นคนนี่เราได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนได้ให้เข้าน้ำโชนะาอาหารเป็นทานมา อันนี้สงแห่งให้เข้าน้ําเป็นทานนั่นแหละมาทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เว้นจากการเบียดเบียนปัดทั้งหลายต่างมาแต่ก่อนเกิดมาในชาตินี้โรคภัยไข้เจ็บจึงไม่ค่อยเบียดเบียนอันนี้สงศินอันนี้นะการที่มีอายุยืนยาวนานมาอย่างนี้ได้าะเพราะ อานิสงส์แห่งการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทําลายล้างสารชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอย่างหนึง่งแล้วก็อานิสงส์ทานการให้เข้าน้ําเป็นทานอย่างว่านั่นแหละทําให้คนเรานั่นมีอายุยืนยาวนานไปแล้วก็ปราศ จ, จากโรคภัยไข้ไขเจ็บนี่นะอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลน่ะขอให้พิจารณาเข้าใจให้ดี อันนี้สงแห่งการภาวนาก็ทำให้เราใฝ่ใจในทางเจริญธรรธิภาวนาเมือเม่อเมื่อแต่ชาติก่อนเราก็เคยได้ไหวพระภาวนามาอย่างนี้นะบุญกุศล น, นักติตตามมาเกิดมาชาตินี้ก็ให้มีความสนใจอยากไหวพระอยากนั่งสมาธิภาวนา อยากก้นจากทุกข์จากภะไในสงสารอันนี้นล้วก็จึงได้เสเวงหาจึงได้เข้าวัดฟังธรรมฟังธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ท่านนำมาแสดงให้ฟังเพื่อให้รู้อุบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาให้รู้อุบายวิธีทำใจให้สงบ ให้รู้อุบายวิธีทาปัญญาให้เกิดขึ้นนี่นี่แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามลงมือปฏิบัติตามบันนี้อยู่บ้านอยู่ช่องก็ไหว้พระนั่งภาวนาไปไม่ระมาดรรักษากจิตดวงเดียวนี่แหละให้มันได้อย่าให้จิตนี่มันตกไปทางบาปอากุศลให้จิตนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ รักษาความรู้ความเห็นที่มันบังเกิดขึ้นในใจตามเป็นจริงอย่างแสดงให้ฟังมาแล้วนั้นก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา